ถ้าเราไม่ตั้งจิตจจิตให้มั่นคงในจิตในใจของเราแล้วนะใจของเราคนเลาะแหละหาจุดยืนไม่ได้คนเป่าไปจางไหนแขวงไปทางนั้นคนเป่านี่ก็แข้งไปทางนี้พ้นทีน่สุดหาจุดยืนไม่ได้เมื่อออกไปเป็นคราวาสก็เท่านั้นลหละเป็นคราวาส ท, ที่หลักรอยเลาะแหละโลกเละโลเลในเมื่อเข้ามาเป็นพระก็เหมือนกันหาจุดยืนไม่ได้อีก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 ขวาหันนะพูดง่ายๆเหมือนขวาหันแต่เราไม่หันเร็วทังขนาดนั้นหรอกหันแบบมีสติจากนั้นข า, ข, าขวาพุทธ้ายโถพทุพทโถพทุพทโถพุทโถเลยอันนี้คือวิธีเดินจงกรมจากนั้นเราเดินนานไม่นานเท่าที่จะนานได้เอาจนเหนื่อยเ อ, เอาจนเหนื่อยสามสี่ห้าหกชั่วโมงหลวงพ่อเนี่ยเคยเดินตลอดทั้งคืนเคยนะลูกหลานพระเณรนะ หลวงพ่อเคยเดินตั้งแต่หัวค่ำจนถึงสว่างโอ้เหนื่อยพอสมควรนะฝาฝาเท้านี่เราได้ยินแต่ว่าพระโสนะท่านเดินย่างกลมจนฝาเท้าแตกหลวงพ่อในเชื่อเลยละ่ะพอหลวงพ่อไม่ได้ใส่รองเท้าเดินคราวนะั้นเดินเท้าเดินพอเดินเข้ามาตอนเช้ามันโอ้ฝาเท้านี่แดงหนังนี่บางเลยลเห็นเลือดเลยล เ, หเห็นเลือดเลย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 พอเดินจง ก, กรมเหนื่อยแล้วเน่เราก็ขึ้นมากุตนะิพอป ก, กุติแล้วก็ทำวัดกราลบขึ้นมาล้างเท้าซะก่อนให้สะอาดเช็ดพื้นเท้าล้างเท้าให้สะอาดแล้วก็ปูที่นั่งจากนั้นเราก็ทำวัดทำวัดย่อๆก็ได้รกระลาบามครั้งพุโ ท, ทโธธรรมโสงโกจากนั้นกระลาหังสวากาโตสุปฏิปัโน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 นานๆนะครันั่งที่นั่งท่านบอกกระทังว่าขณะที่ท่านนั่งสมาธิถ้าวันไหนอากาศดีๆอากาศเย็นฝนตกลินพรมพรมวันนั้นนั่งภาวนาจิตใจสงบได้ง่ายแต่วันไหนอากาศร้อนๆ อ, อากาศอบอ้าวนั่งภาวนารู้สึกว่าจิตสงบลงได้ยาก อ, อ, อุตุคืออากาศนะครัเป็นส่วนช่วยมั่นการ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 อ, อมีที่นั่งอยู่ในี่ยที่พกเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยแต่พระพุทธเจ้าท่านให้ให้กรรมฐานห้านะเ อ, อเมื่อพระเนรบวชใหม่นะท่านให้กรรมฐานห้าเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บธันตาพันตะโจหนังเ อ, อนี่แหละให้เพียงให้ห้าข้อนี่พอก่อน เ, ออเพราะมีเวลาจำกัดมีเวลาน้อยเอให้กรรมฐานห้าแต่พอต่อไปท่านให้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 เป็นกองกองไว้ก็ยังได้นะกองกองของร่างกายไว้ชำแหละออกมาเป็นกองกองไตเอาไว้กองหนึ่งปอดเอาไว้กองหนึ่งดีเอาไว้กองหนึ่งลำไส้เอาไว้กองหนึ่งลักษณะอยังไงในเมื่อเราเห็นเป็นกองกองก็ถามใจของตัวเองตามตัวผู้รู้นะเนี่ยอันนี้ร่างกายของเราเช่นไหมใจผู้รู้นามธรรม หวิญญาณอันนี้เป็นกายของเราใช่ไหมใจใจมันก็ว่าใช่ทำมันอยู่เป็นก้อนขึ้นมาก็เป็นร่างกายของเราแต่ที่ทำมันกระจายอยู่อย่างเนี้ยเป็นชิ้นเป็นส่วนเนี้ยนะี้จะเป็นว่าของเราได้ยังไงเออมันเป็นอันนั้นคือตับอันนั้นคือปอดอันนั้นคือไส้อันนั้นคื อ, อ, นน อ, อ, คอกระดูกกรว่ากันไปเออเพราะนั้นมันไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เรานี่แหละใจ